คือคนที่เรียนอภิธรรมเนี่ยอันที่จริงแล้วตัววิชาเนื้อหาคำสอนเนี่ยเป็นเป็นธรรมที่พิเศษอยู่แล้วอภิแปลว่ายิ่งเป็นธรรมที่ยิ่งเป็นธรรมที่พิเศษเป็นธรรมอย่างดีเนี่ยนะันธรรมะเนี่ยนะก็คือเป็นคำสอนอันยิ่งเป็นคำสอนที่พิเศษเนี่ยคนที่เรียนไว้มากจะรู้เลยวันนี้เป็นสกว า, าวาดประวาต อันนี้เป็นความเห็นของฝ่ายเราอันนี้เป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเห็นของพระอริยสาวกทั้งหลายอันนี้เป็นประวัติอันนี้เป็นพื้นฐานคนที่คิดแบบนี้สัตตตถิฐิพื้นฐานแบบนี้เป็นอุเฉตทิฐิพื้นฐานคนที่คิดแบบนี้เป็นเอกจจะสัตตตฐิรู้เลยว่าคนนี้เป็นพวกปุกพันตะ ปุพันตะปุพกะทิฐิอันนี้เป็นพวกอปรันตะปุพกะทิฐิ อ, นนอันนี้เป็นสัน ญ, ญีวาทะพวกนี้เป็นอสัน ญ, ญีวาทะพวกนี้เป็นเนวสัน ญ, ญีนาสัน ญ, ญีวาทะเนี่ยนะแล้วก็ยังจำเนกแยกแยะไว้พวกนี้มีความเห็นขัดแย้งกับพู้ต่อพศที่ใด ay, เหล่าใดส่วนใดเพียต้นเขาก็จำเนกแยกแยะออกเพ้นสา ม, มารถที่จะแสดงประวาทะ แยกสกะวาทะประวาทะออกไปได้แต่คนที่ไม่เรียนเนี่ยนะไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้กำลังยืนอยู่ในรับที่ของใครหนักๆนักเข้าไปมีความเห็นตรงกงันข้ามกับ ฝ่ายเราอะนะอาจจะคล้ายๆไปบแบบแต่สุนัขข่าริชวีเดินตามพระพุทธเจ้าแต่เที่ยวชื่นชมนักบวชนุ่งลมหอมอากาศเนี่ยนะไปเที่ยวชื่นชมโอ้นี่ก็อรหัน์นั่นก็อรหรันทั้งทั้งที่เดินตามผ้าอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามองคนแก้ผ้าว่า น, นี่แหละคืออรหัน์แท้จริงเพราะอะไรแม้มักน้อยสันโดษเลอะเกินเนี่ยนะขนาดผ้ายังไม่เอาเลยเป็นต้นเนี่ยนะ แม้มากน้อยจริงๆเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันจะต้องจําแนกให้ออกว่าอันไหนเป็นฝ่ายพระพุทธเจ้าอันไหนไม่เป็นฝ่ายของรัที่เราอื่นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพูดไปพูดมาก็เที่ยวชมมิจฉาทิฏฐินึกว่าเป็นของเราติเตรียมคําสอนของเรานึกว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยนะไม่ว่าพักไหนเป็นพักไหนก็ยุ่งไปหมดเลยนะ เพราะฉะนั er ้นพวกนี้ก็จะกล่าวธรรมะให้ผิดพลาดไปแต่ถ้าเรียนรู้คำสอนมาเป็นอย่างดีเรียนรู้พระพิธรรมเนี่ยมาเป็นอย่างดีก็รู้ไล่เวยว่านี้เป็นฝั่งของเราฝั่งเราก็คือเนี่ยเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้านี่เป็นความเห็นของพระอริยะเจ้าทั้งหลายนี่เป็นความเห็นของปุตชนนี่เป็นความเห็นของมิจฉาทิฐิบุคคลเนี่ยนะเพราะนั้นเขาก็สามารถแสดงโดยไม่ให้ผิดลาดับพันพระ มหาโมคคลานะเทระจึงมีความคิดว่าโอ้หนอเพื่อนพรหมจันท ร, ร์ของเราเพึงเป็นนักอภิธรรมคือเรียนธรรมะให้มันรู้จริงเนี่ยเรียนให้รู้จริงเรียนให้รู้พอเรียนให้รู้เรียนรู้พอที่สามารถเอามาประพฤติปฏิบัติยังฌานอันอยังลงในที่อันสุขมุมเมื่อปฏิบัติอยู่ในฌานอย่างนั้นแล้วเจริญวิปัสสนา ท, ทำให้แจ้งซึ่งโล ก, กุตระธรรมเพราะฉะนั้นพระมหาโมคคลานะเจงกล่าวพยากรณ์อย่างนี้ ว่าพระพิสูจนนั้นควรสนทนากันด้วยอภิธรรมกถารจำแนกแจกแจงแยกแยะเนี่ยนะอย่าลืมว่าอภิธรรมมราถ้าจะว่าไปก็คือพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยนะเชื่อไหมพ่อหน่อยเพราะอภิธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีเรื่องศีลอภิธรรมนี่แจกเรื่องศีลอย่างละเอียดชนิดละเอียดยิบเลยเนี่ยนะ พระพิธรมเนี่ยจำแนกเกี่ยวกับเนื้อหาเนื้อหาในอภพิธรรมเนี่ยอย่างเช่นขันทวิพังเนี่ยจำแนกทั้งในแง่สุดตันตน์นายและอภิธรรมนายนันยะในคิดแบบอภิธรรมเป็นยังไงคิดแบบพระสูตรเป็นยังไงเนี่ยนะถ้ากล่าวรรแบบบัญญัติเป็นยังไงถ้ากล่าวแบบปรมัตดเป็นอย่างไรแล้วปรมัดเนี่ยมีกี่ระดับจำแนกแจกแจงรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ไม่ไม่สับสนเนี่ยนะคือคือศึกษาก็คําว่าศึกษาก็คือหมายถึงการประพฤติปฏิบัติ การเจริญการทํากุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญงอกงามไพ่บูรยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปทีนี้ในพระในอัตถคถาวินัยเนี่ยนะอัตถคถาวินัยที่กล่าวถึงการเรียนปริยัติถ้าเรียนผิดพลาดเป็นยังไงบอกว่าถ้าเรียนวินัยผิดพลาดทุศีลถ้าเรียนพระสูตรผิดพลาดเป็นมิจฉาทิฐิถ้าเรียนพระพิธรรมผิดพลาดฟุ้งซ่านเนี่ยนะเพราะฉะนั้น แต่ถ้าเรียนพระวินัยถูกต้องวิชาสามถ้าเรียนพระสูตรอย่างถูกต้องก็อภิญญาหกถ้าเรียนอภิธรรมได้อย่างถูกต้องก็ปฏิสัมพิทาสีเนี่ยนะปฏิสัมพิทากับฟุงสั้นมันก็คลิกบางทีมันก็คือมันมันแตกฉานเหมือนกันนะแต่ว่าแตกละอันหนึ่งก็คือร้าวฉานไปหมดเลยนะอีกอันหนึ่งก็เป็นอะไรเชี่ยวชาญไปหมดรอบรู้ไปทุกเรื่องเลยนะพยายามจําแนงให้ดีนะว่ากุศลจิตของเราเป็นอย่างไรเนี่ยเรียนไปเรียนมาจะเรียนขนาดไหนก็ช่างเถอะ อย่าลืมกุศลจิตบ้างนะเนี่ยนะเจริญจิตให้มันเป็นกุศลบ้างสรรพปา่าประสาการณังละบาบ้างกันแล้วการเนี่ยนะกุศลสูผสมประธาทำจิตให้เป็นบุญบ่อยๆเลยนะเนี่ยนะดูท่าจิตจะเป็นบุญน้อยไปนหน่อยอย่างเงี้ยทีนี้ในข้อ381เนี่ยนะเป็นภาษารีบรบ้างเมื่อภาษารีบกรกล่าวอย่างนี้ท่านพระมหาโมคลานะก็กราบทูลเนื้อความให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ฟังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลำดับต่อไปข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านพระสารีบุตรปฏิพานตามที่เป็นของตนพวกเราทั้งห้าท่านพยากรหมดแล้วบัดนี้เราขอถามท่านพระสารีบุตรในข้อนั้นว่าป่าโคสิงฆะสาลวันเป็นสถานที่น่าเรื่อนรมราตรีแจ่มกระจงัง ไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วลําต้นกลิ่นคล้ายทิพย์หอมฟุ้งทั่วไปดูก่อนท่านพระสารีบุตรปาโคสิงค์ข้าสารวันพึงงามด้วยพิสุเหน็นปานไรเนี่ยนะเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบข้าพระองค์ว่าดูก่อนท่านพระม ها, หมาโมคคลานะพิษุในาศาสนานี้ <strongest sin S 2> ยังจิตให้เป็นไปในอํานาจและตัวเองไม่เป็น ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตเพราะฉะนั้นเธอหวังอยู่ว่าจะเข้าวิหารเหล่าใดสมาบัติใดในเวลาเชา้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเชา้าเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น เธอก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเยน็นเปรียบเหมือนหีบหรือตู้ผ้าของพระราชาหรือราชมหาอํามาตย์ของพระราชาที่เต็มไปด้วยผ้าที่ย้อมเป็นสีต่างๆพระราชาหรือราชมหาอํามาตย์นั้นหวังจะห่มผ้าคู่ชนิดใดในเวลาเช้าก็ห่มผ้าชนิดนั้นในเวลาเช้าหวังจะห่มผ้าคู่ชนิดใดในเวลาเย็นก็ห่มผ้าชนิดนั้นในเวลาเย็นฉันใด พิกสุยังจิตให้เป็นไปในอำนาจตัวเองไม่ตกหรือไม่เป็นไปภายใต้อำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดวิหารสมาบัติเป็นชื่อของพรหมวิหารอริยวิหารทิพวิหาร นะเรียกว่าวิหารสมาบัติมันจะอยู่ในตอนเช้าจะเข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติพละสสมาบัติก็เข้าได้เนี่ยนะจะเข้าเวลาเช้าก็ได้จะเข้าเวลาเที่ยงก็ได้เวลาเย็นก็ได้ประสงค์จะเข้าเวลาใดก็เข้าได้ฉะนั้นเพราะตัวเองอยู่เหนืออำนาจของจิตจิตนี่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสวาสาุสาวุสุเนี่ยนะก็อนุโมทนากับพระสารีบุตร พระองค์ก็ตรัสว่าโมฆะลานะสารีบทเมื่อจะพยากรพึงพยากรตามนั้นด้วยว่าสารีบทยังจิตให้เป็นไปในอำนาจพระสาริบทไม่เป็นไปภายใต้อำนาจของจิตเพราะฉะนั้นสาริบทเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าสาริบทก็สามารถจะอยู่ในวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเช้าสารีบทหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเที่ยง เธอก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเที่ยงในเวลาเย็นเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดเธอก็สามารถอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเย็นเนี่ยนะนีเป็นภาษาริบรุษเนี่ยนะอัตถกถาอธิบายในหน้า50ตรงกลางหน้าย่อหน้าท่านสาิบุุรท่านเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมี เรียกว่าสูงสุดของผู้มีปัญญาเนี่ยนะรองแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าภาษารีบดเนื่องจากท่านเป็นผู้มีปัญญาจึงสามารถทำจิตให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตนด้วยอนุภาพของปัญญาเพราะนอนุภาพของปัญญานี่ควบคุมความคิดได้ไหมคนที่มีความรู้คุมความคิดได้ไหมกับเทียบกวับคนที่ไม่รู้ถ้ามีปัญหาเหล่าใดคนโง่หรือคนมีปัญญาควบคุมความคิดตัวเองได้ดีกว่า คนมีปัญญาฉันใดมีปัญญายิ่งสูงขนาดไหนก็ยิ่งควบคุมระบบความคิดตัวเองได้มากขนาดนั้นรู้อะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรควรคิดมากควรคิดน้อย น, น, นะนะเหมือนอย่างว่าคนในโลกเป็นผู้ที่เขามีทรัพย์นะคนที่เขาฉลาดดูแลทรัพย์เนี่ยนะแต่และเรื่องเขาควรจ่ายเท่าไหร่เรื่องนี้ควรจ่าย5าบาทสิบบาทร้อยพัน0 0 0 0 0 0สล้านเขาก็จ่ายตามจำนวนเท่าที่ควรจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ฉันนั้น เขาจะคิดตามความเหมาะสมเท่านั้นเรื่องนี้ขอคิดแค่2นาทีพอเรื่องนี้คิดห้านาทีพอเรื่องนี้คิดสองวันพอเรื่องนี้คิดเดือนเดียวก็พอเนี่ยนะคือคือบางอย่างเขาไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดที่เปลืองเกินไปแต่ถ้าคนที่ขาดปัญญาใช่ไหมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนั่งเลื่อยขี้เลื่อยอยู่นั่นเลยเดียนะเอาขี้เลื่อยมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็เลื่อยไปพวกนี้พายเรือในอ่าง คิดเรื่องเก่าๆคิดได้ย้ำแล้วย้ำอีกยิ่งคิดยิ่งงงยิ่งคิดยิ่งสับสนยิ่งคิดยิ่งปนยิ่งเปโม้อไปหมดเลยเนี่ยนะคิดไปคิดมาโอ้ยงงหลับดีกว่าตื่นขึ้นมาคิดฟุ้งต่อเนี่ยนะหลับไปหน่อยเดียวคิดไปคิดมาก็หนักกว่าเดิมอีกเนี่ยนะยิ่งเครียดกว่าเก่าเป็นต้นนั้นปัญญานี่มันเป็นเหตุทํำให้ควบคุมระบบความคิดได้ว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดเนี่ยนะอะไรควร ควรเห็นไม่ควรเห็นควรได้ยินไม่ควรได้ยินแต่และอย่างควรรับรู้ควรรับทราบควรพินิจพิจารณาใครควรแค่ไหนและอย่างไรเพราะอนุภาพแห่งปัญญาเนี่ยนะบรรพษาทีบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาบรรพชนที่ไม่มีปัญญาจึงอยู่อยู่ตกภายใต้อำนาจของจิตถูกจิตเนี่ยเสือกสายไล่ส่งไปมันพาไปเรื่อยแต่ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้น ท่านบอกว่าผู้มีปัญญาสามเนี่ยนะเป็นไปในอำนาจจิตตกอยู่ภายใต้อำนาจจิตดิ้นรนไปข้างนี้บ้างดิ้นรนไปข้างโนู้นบ้างสองสามวันเป็นคราวะไปแล้วอย่างนั้นนะคิดไปคิดมาอ้าวเป็นพระไป เ, เรียบร้อยอีกพักหนึ่งก็บวชอีกแล้วอีกพักหนึ่งก็คิดสึกไปอีกแล้วอีกคิดหนึ่งก็ทํามาค้าขายอีกคิดหนึ่งก็แคไร่ไถนาอีกคิดหนึ่งอา้าวเป็นนักบวชอู้สับสนปนเปยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดท่านว่งางันมันในที่สุดก็ประสบความชีพหายมิใช่ประโยชน์เป็นอันมากเพราะอะไร เพราะจิตมันพาไปเนี่ยนะจิตเอ้ยเดี๋ยวก็พาไปเป็นอะไรอย่างที่พระ ตารบุท่านว่าเดี๋ยวจิตเอ้ยเดี๋ยวก็พักพักหนึ่งก็พาไปเป็นสัตว์นรกอีกภาคหนึ่งเธอก็จะไปพาไปเป็นเปรตอีกแล้วเนี่ยนะเป็นจิตอดอยากหิวหอยหอยหิวอยู่นั่นแหละอีกภักหนึ่งแม่มันคิดขวางสวรรค์ขวางนี่ผานหน้าดูเลยใช่ไหมอีกภักหนึ่งเอ้มันคิดเหมือนมีมนุษยธรรมอีกคิดพักหนึ่งมันคิดแบบคนมีเทวธรรมอีกคิดหนึ่งอีกภักหนึ่งมันคิดแบบมีพรหมมิหารธรรมบางครั้งพาเป็นพรหมบางครั้งพาเป็นเทวดาบางครั้งพาเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์เป็นพรามเป็นแพทย์เป็น การทานเนี่ยนะความคิดเนี่ยมันพาไปเดหมดไปครั้งหนึ่งพาตกนรกอีกพักหนึ่งพาขึ้นสวรรค์นเนี่ยนะฉันตกอยู่ภายใต้อํานาจของเธอมานานแ้นะจิตเหมือนกันมันทำยังไงดีจะปฏิวัติความคิดของตัวเองเลยนะบอกไอ้ศัตรูตัวฉกาจฉการไดนะ้อยู่ไกลที่ไหนโลกเลยนะความคิดงานภาษาเนือและตัวเก่านั่นแหละตัวเองอะ่ะนะตัวเองนั่นแหละเป็นศัตรูร้ายกาจของตัวฉันจะต้อง ทำเกเรวชนะสงครามในความคิดเนี่ยนะบอกชนะอะไรประเสริฐที่สุดบอกว่าชนะอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะความคิดชนะความคิดตัวเองนี่ประเสริฐที่สุดแต่ชนะที่กลับไม่พ่ายแพ้อีกชนะด้วยอะไรนะเครื่องมือในการต่อสู้ชนะใจตัวเองได้ต้องเป็นมงตามมงคล38ดนะไม่ใช่มีเครื่องมืออะไรเลยบอกคมสู้มันจิตสู้มันสู้ว่ายังไงอ่อ แป๊บหนึ่งมันคิดไปตั้งสามสิบเรื่องแล้วเนี่ยนะอีกแป๊บหนึ่งวันหนึ่งมันคิดไปตั้งหลายร้อยเรื่องแล้วอยาเงี้ยทำไงมันก็ต้องเริ่มต่อสู้ปฏิวัติความคิดด้วยการปฏิบัติไปตามมงคลเนี่ยนะ ห่างคนผ่านได้ดีที่สุดเพราะถ้าห่างคนพ่านไม่ได้เนี่ยนะความคิดของเราก็จะไหละไปตามคนผ่านคนพ่านชื่นชมปาณาติบาตในที่สุดเราก็เก่งเรื่องปาณาติบาตคนพ่านชื่นชมอัินนาทานเป็นต้นเนี่ยในที่สุดเราก็กลายเป็นคนที่มีแนวความคิดแบบคนผ่านจะต้องเว้นถ้าเว้นคนผ่านได้ก็ควบคุมความคิดได้ระดับหนึ่งเว้นความคิดที่ไม่ควรคิดได้ตั้งหลายเรื่องเลยนะถ้าเปบบ็นครอบัณฑิต เริ่มรู้ละอะไรควรคิดแล้วก็ไม่ควรคิดเนี่ยนะในที่สุดถ้าได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยยิ่งเข้มงวดกวดขันในระบบความคิดของตัวเองมากขึ้นอย่าลืมว่าคนที่รักษาจิตได้นั่นแหละจึงพ้นจากทุกคนที่รักษาจิตไม่ได้พ้นจากทุกขไม่ได้แต่เครื่องรักษาจิตก็คือธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรักษาธรรมอันนั้นคือสมถะและวิปัสสนาเป็นเครื่องบ่งเป็นเครื่องบ่มเป็นเครื่องตกปักรักษาไม่ให้จิตเนี่ยตกไปสู่ บาปอากุศลธรรมทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเมื่อท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านจึงอยู่เหนือเหนืออำนาจจิตมันพระสารีบุตรจึงคิดว่าโอ้หนอเพื่อนพรหมจันทร์เนี่ยนะอย่าได้เป็นไปตามเป็นตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของจิตเลย น, นะก็แปลง่ายๆว่าเพื่อนเอ้ยอย่าเชื่อจิตมากนักเลยเนี่ยนะเชื่อพระพุทธเจ้าเถอดเนี่ยนะจริงนะนะถ้าถ้ า, ถาแต่อะไรนะรุนเช้าก็คิดอย่างซ้ายก็คิดอย่างเที่ยงก็คิดอย่างหนึ่ง S <S <an> นะแต่ก็จริงนะนึกถึงในตัวอย่างท่านยกเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เนรทั้งหลายมาเลยนะแม้แต่ละองค์เนี่ยนะมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะเออมันคิดอยู่ตั้งนานนะมันมีตามคําสอนซากหน่อยเลยเนี่ยนะเป็นตอนนั้นคนที่คิดเหล่านี้เนี่ยมันถามว่าอันตรายมากไหมความคิดเนี่ยนะอุ้ยอันตรายมากเลยในะความคิด พาเสียศีลมั่งความคิดพาเสียศีลพาเสียสมถะวิปัสนาความคิดที่มันพาให้ห่างพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมันความคิดนี่มันอันตรายแท้เออทาไงอ่ะทําไงกับความคิดให้ดีละ่ะเพราะฉนั้นตรงนี้แหละจิตเนี่ยนะจะต้องมีปัญญาว่าเพื่อนสัตพพรมอาจา ร, รย์ทั้งหลายอย่าตกอยู่ภายใต้อํานาจจิตเลยให้จิตอยู่อยู่เหนื อ, อะให้ตัวเองเนี่อยู่เหนือจิตเธอปราบจิตให้พ้นจาก เสพติดค่าศึกนั่นหะห้ามจิตอย่าให้จิตเสพการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอย่าให้เสพนิวรณ์เป็นต้นเลยขจัดความดิ้นรนทั้งหมดของจิตไม่ให้ออกไปภายนอกให้อยู่ด้วยสมถะทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยกรรมฐานทั้งหลายเจริญวิปัสนาเนี่ยนะอาศัยจิตที่ตั้งมั่นดํารงมั่นด้วยสมถะเจริญวิปัสนาก็สามารถทาให้แจ้งโลกุตระธรรม ทีนี้ราษาริบทก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าในข้อ382หน้าส5ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำของใครนอเป็นสุภาษิตเนี่ยนะคือคำของพระอนุนที่บอกว่าพหูสูตรสิงามด้วยพหูสูตรพระอีกรูปหนึ่งพระเรวตาบอกงามด้วยชาน ผานรุธะงามด้วยที่พระจักสุพระมหากัสสปะงามด้วยทุดงผ้าโมกขลานะบาบอกว่างามด้วยอภิธรรมภาษารีบุตรงามด้วยผู้ที่อยู่เหนืออำนาจจิตเพราะนั้นตรกตกลงว่าคำของใครเป็นสุภาษิตพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนสารีบุตรคำของพวกเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริญายหมายว่าทุกคนเป็นคำพูดที่เป็นสุภาษิตหมดแต่พวกเธอจงฟังคำของเราเห็นไหมอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าบ้าง ถามว่าป่าโคสิงคฆาสารวันจะพึงงามด้วยพิสุเห็นปานไรนั้นน่ะเราขอตอบว่าดูก่อนสาลีบุตรพิสุในศาสนานี้กลับมาจากบินธบัตในเวลาจากหลังพัดหมายก็ว่าฉันเสร็จแล้วเนี่ยนะนั่งคูบลังตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าตั้งสติเอาไว้ให้ดีเลยว่าหนึ่งจิตของเราถ้ายังไม่หมดอุปาทานเนี่ยนะ แล้วก็สองจิตยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพียงใดสามเราจะไม่ทําลายบัลลังก์นี้เพียงนั้นแปลว่าเนี่ยการนั่งครั้งนี้ถ้าไม่หมดอุปาทานถ้าไม่ขูดอาสวะไม่ได้ไม่ลุกดูก่อนสารีบุทป่าโคสิงฆ่าสารวันเจพึงงามด้วยภิกษุเห็นตาหนี้เนี่ยนะพระภิกษุที่คิดว่าถ้าตัวเองไม่บรรลุ ก, ก็เลิกแล้วพอกันที่หมัอนกันนะนะเอาแม่ป่าแบบนี้แหละจะทําให้งามถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนี้ อันะหน้าห้าบอ็ดอัจฉริบทว่านาวตาวาหังอิมังปัลังตังพินทิสามิความว่าเราตั้งความเพียรมีองค์สี่นี้แล้วเนี่ยนะความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่คืออะไรเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นต้นไม่ลุกเนี่ยนะะตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นการนั่งแบบที่เรียกว่านั่งไม่ทำลายไม่เลิกเนนะให้นั่งเอาไว้ ก็ทนนั่งอันนั่งทนดังกันไหมคือนั่งตรงนี้นั่งแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งรู้อยู่แล้วว่าเจริญมรรคแปดเนี่ยเจริญอย่างไรคิดอย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นไม่ใช่เอาแต่นั่งนะถ้าเอาแต่นั่งพวกเราอ่ะนั่งวันหนึ่งเท่าไหร่เออได้ดีไปนานแล้วเนี่ยนะฉันเอ่อชันเสร็จก็นั่งอ่ะนะชันเสร็จก็นั่งนั่งเสร็จก็ฉันเป็นต้นนะวไอ้นั่งก็ฉันก็นั่งอีกนั่นแหละก็จะไปไปเดินที่ไหนไหมปกติรวมแลนัั่งบบคผก็ือ แบบไรมีส ม, มถะและวิปั ส, สนาเนี่ยนะหมายกว่านั่งด้วยส ม, มถะและวิปั ส, สนานั่นเองทำไมพระพุทธเจ้าจึงแนะนำความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าละเซเรราชสมบัติด้วยยามที่แก่กล้าพระองค์ออกอภิเนิษฐสกล์บออกบวชในที่สุดก็เสด็จขึ้นสู่ต้นโพนะว่าโพที่บันโพที่มณฑลหรือโพที่บรลังเนี่ยนะ ลำดับนั้นพระองค์ก็นั่งความเพียร น, นั่งประกอบความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์สีนั่งขัดสมาธิพระองค์ก็ได้รับการชัยชนะมารมีจิตใจดำรงมั่นทำลายล้างสมองของมารทั้งสามเรียกว่าหัวค่าหัวค่าทำลายเทวปุตตมานเนี่ยนะมัชิมายามก็ทำลายอะไรกิเลสมารและอะพิสังขารมานยังหมื่นโลกธาตุให้บรรลุลั่นแทงตลอดพระสัพพัญญตยานในเวลาใกล้รุ่ง พระพุทธเจ้าหมายเอามาหาโพธิที่บัลลังก์ของพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้โน่นะต้องนั่งแบบคิดแบบนั้นนะ่ะนั่งคิดแบบคืนสุดท้ายที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านะั่นแหละจึงจะ ง, งามอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เพราะจะสงสงสงเคราะห์หมู่ชนผู้เกิดในภายหลังพระองค์แสดงข้อปฏิบัติอันเป็นสาระแก่กาลยานนะปุถุชนอย่างนี้อันนะสาระของการบวชสาระของการใช้ชีวิตมันอยู่ตรงนี้ จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าในอนาคตกุลบุตรผู้มีอัธยาศัยอย่างนี้จักศึกษาคือจักศึกษาตามใส่ใจตามเรียนรู้ตามปฏิบัติตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพิสุเหล่านั้นภายหลังพัดเนี่ยนะภายหลังพัดเนี่ยพระพิสุเหล่านั้นก็จะมานั่งคูบบาลังตั้งกายตรงดารงสติไว้เฉพาะหน้า ปรารถนาอยู่ว่าจิตของเราไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นในอุปาทานหรือว่าไม่หลุดพ้นจากอาสวะจะไม่ทาลายบัลลังก์เพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่อกลับจากบินทบาทหลังพัดตั้งความเพียรประกอบไปด้วยองค์สีมีจิตใจแน่วแน่ก็สำคัญสมณะธรรมธรรมของสมณะธรรมเพื่อสงบราคะธรรมเพื่อสงบโทสะและสงบโมหะนะ พวกนั้นก็จะคิดว่าถ้าเรายังไม่บรรลุปเป็นพระอารหันต์จไม่ทำลายบาลังดังนี้ภิสูุนเหล่านั้นปฏิบัติอย่างนี้ใส่ใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จกทำที่สุดแห่งชาติชรลาและมรณะได้โดยวันเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยนะใช้เวลาไม่นานก็ตรัสรู้อันนี้พระองค์แสดงข้อปฏิบัติที่เป็นสาระแก่กัลยาณนะปุทุชนทั้งหลาย เนี่ยนะพระองค์ก็เลยแสดงอย่างนี้ว่าปากโคสิงค์าสารวันงามด้วยพระพิสุที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากอุปาทานพ้นจากอาสวะมุ่งกําจัดอุปาทานและอาสวะเนี่ยนะมันปากโคและสิงค์าสารวันเนี่ยนะพระอานุ์บอกว่างามด้วยพิสุประหูสูตรพระเรวตะงามด้วยพระพิสุที่เพ่งฌานพระอนุรธุธะงามด้วยพระที่มีตาทิพพระมักสปะงามด้วยพระที่ ปฏิบัติในทุดดงพระโมคคัลลานะบอกว่างามด้วยพระพิสูที่เป็นธรรมกถิดพระสารีบุตรงามด้วยพระพิสูที่อยู่เหนือจิตพระพุทธเจ้าบอกว่างามด้วยผู้ที่ตั้งใจจะสิ้นอาสวะแล้วก็นั่งเนี่ยนะนั่งเพื่อจะสิ้นอาสวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปา่ปาโคป่าโคสิงขสารวันเนี่ยนะงามด้วยผ้าเรียเจ้าเหล่าใดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนแห่งความงดงามด้วยความเป็นพหูสูตรขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้งดงามด้วยการ เพ่งชาญขอให้พวกเราทั้งหลายงามด้วยมีตาทิพพิจารณาหมู่สัตว์ผู้มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะงามด้วยพระที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาร์ดำรงอยู่ในคาถาวัตถุสิบแล้วก็แนะนําผู้อื่นด้วยแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้งามด้วยความเป็นผู้ที่กล่าวธรรมขอให้พวกเราทั้งหลายงามด้วยความเป็นผู้มีปัญญาอยู่เหนืออํานาจของจิตแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาอยู่ว่า เราทั้งหลายเนี่ยนะตั้งความปรารถนาว่าขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ทำนี้จงเป็นไปเพื่อพ้นจากอุปาทานเพื่อชำระอาสวะละอาสวะโดยเสร็จสิ้นอนุโมทนากับทุกท่าน